หนักพอแล้วนะทุกวนผมถึงขนาดที่แบบเหมือนกับ ก, กดถ่วงอย่านี้ตลอดไม่ได้ปลงใน่ได้วางาเป็นท่านม้าท่านเปื่อก็อยู่บนบานท่าถ้าเป็นเหมือนท่านม้าท่านเป้่อยู่บนบานตลอดออนั่นวนะันที่เจ็ดที่แปดผ่านมานี้ท่นจะคุณพรษม่นอร น, นากรณิมนไปแม่นอร น, นา ก็คงจะถูกเล่าอะไรนะจากคนงานโยมแล้วอาศัยท่านจะเป็นบนิมนเราถึงจะไปควมหายขอมามมันท่านจิมงนิมนต์มาท่านมีสองประการการหนึ่งเป็นงานประจำปีที่ทำในวันนี้ในวันที่เจ็บที่แปดของทุกปีเป็นงานประจำปีของวัดนั้น ท่านสองท่านว่บอกว่าอายุท่านก็แปดสิบบริบูรณ์นี่ด้วยอนนี้มุนเราไปไปมีการแสดงธรรมด้วยเนี่ยยิงให้ไปความหมายว่างั้นนั้นถือที่มีแสดงธรรมอยููกถึยังไงมันก็ไม่พ้นเนี่ยผมแต่ไหนเริ่มแสดงธรรมมีนหนึ่งวนที่ผ่านมาแล้ว อปนที่เจ็ดทแปดแล้ววันที่ยี่หกนี้ก็ใกล้จะถึงนี้ก็ถ้ารับนะก็ต้องไปเทศี่ว่าโูตอนถุม่มหนึ่งทุ่มประชาชนชาวพุทธฤษะนักแต่ข้าราชการเข่งคนธรรมาดาจะไปรวมกันปเป็นจำกวนมากผมมันผง ยังทาเปลี่ยนนันนะแต่ผมคงไม่ตอบไปแล้วทั้งสององว่านห น, น้าตอบไปแล้วแล้วออกจากนั้นกัตุลาเลยหลังผมบังเทศกลับมาแล้วตุลาวันที่เจ็ดหี่สิบแปดหลังผมบังเทศกลับมาก็กมีขึ้นวัดสั ป, ปะทุมนะพูดติด ป, ปากภาษาตลาดแล้วววัดสั ป, ปะทุมวัดประทุมนารามนะัะ วัาศักพุงนที่เที่ยวมาได้เลยที่พ่อแม่ครูอาจารย์เราเคยอยู่เขาจะมีขึ้นที่ที่พิษันที่พิเแปดหรเป็นลากใหญ่ที่เดียวก็มไม่มีตำรานี่ยจีวะมไม่ได้มาอุตรีพูดนี่ผมกูจริงๆค้นตำรานอนหลักวิชาที่เรียนผ่านมาสอบมาได้อย่างนี้มั น, มน จะเป็นมากเท่าที่เราค้นปิดเป็นกรณีพิเศษนั่นอย่างไร น, นั่นมากต่อมากนะเราค้นหนังสือตรงนั้นมันจะหนีมาดูเนื้อการอาศัยเรานั่นแหละอีพอจําได้มาพูดเมื่อเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่างๆที่มีในตำราเ น, นี่ยก็ไดีเอาเรื่องนั้นมาพูดรวบบวกกับหลักวิชา ท, ที่เราเรียนมาการค้นคว้าในหนังสือเล่เลมๆต่างๆเพาะการบิดเบี้ มีแต่อย่างนั้นหลักฐานของของศาสนาจริง ๆ, ง, ๆงานของบริษัทจริงๆส่วนมากมีแต่อย่างนั้นส่วนงานนั้นงานนี้เนื้อไม่เห็นนีเรื่องมีนะ่มีแต่มีนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นพื้นประจําเหมือนอสุวรรณนี่มาแต่พุทธบริษัท ก็ภาว น, นากันขันเด็น ม, มากผนมผุพานเราจะเอาเพศของเราไปอวดเขาได้เลยปฏิสัธปัจจัยมีในหัวใจของทุกของคนแต่ละค น, ะคนทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและกระวา่ามีได้ด้วยกันเมื่อฟังของจริงก็ไปจากพระพุทธเจ้าด้วยความหาของจริงอยู่แล้วที่นั้นเพลนเข้ากันไม่ได้นั่น ทั้งั้งเด็ดนารางานแต่ก่อนนี่งานของพระด้านนออกแมาออกกลางจรงอ่งที่ว่างนีนะที่จะอยู่ในป่านในเขาทอนน้ไม่ยุ่งกับอะไรนั่นหละตำหักบุญลาอะไรท่า น, นมางงานของพระเป็นยางไงคืองานตั้งหน้าต่อต้องตอบคนจริงเอาละเรื่องง ไม่พอดี